นี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มามาให้หมดเราจะบอกให้ตรงๆเลยถ้าภูริคีครั้นไหวท่าสดดวดมนต์เราเอาไวให้อยู่นำํำให้ไปอยู่ที่อื่นภูริคีครั้นมาล่าท่าก็าเหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอืดอาดยืดยาก ระเบียบเขามียังไงต้องอฏิบัติตามที่มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาหรือไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความเฉาเฉียกันอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ เราอยู่ด้วยการหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามัคคีกันมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตำรวจทหารนั่นนะ่ะเขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ย มันนักกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อ้ น, นี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นั้นมันจะสู้กับค่าศึกได้ยังไงอ่ะอันนี้เขาเหมือนกันเลยไม่รู้เลยว่าคีเลตมันเป็นค่าศึกไอตัวสําคัญนะทั้คันกับค่าศึกพ่ายหนอา อ, อีกซํานะ ใ น, นไปแสดงความขี้เกียจขี้ข้านอืดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นจะไปทำรอแหละได้หรือกิเลส ท, ทำรอแหละไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ ไอ้เพียงจะมานั่งอยู่ศาลาในชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็กขี้ค้านแล้วไปเผือไปอยู่กุฏิก็ตังไทยมันมันจะขี้ค้านมันเพราหมันนั่งภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะจะไปขี้ค้านอะไรมันนั่งสงบจิตอยู่ศาลานี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหม <c oughs> แลียว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมเนอะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวแต่ความหมายมันมีอย่างนั้นต้องให้เข้าใจท่านจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิง่งมันยิ่งไ่้ขั้วเนี่ยยงขี้เกียจทอด อหมือนนั่งสมาธิภาวนาทําเป็นไรอะ่ะนี่มต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายที่พอวัดปฏิบัติมันมัจจะทำเหมือนอยังคนที่มุ่ยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้เราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากเอยนี้มันไม่ได้ ต้องให้เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เรานะ่ะบุญบา ร, รมียังอ่อนอยู่นะต้องให้นึกถึงตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้านี่นะ <c oughs> <c oughs> เราต้องแสดงความสามาัคคีพร้อมเพรียงกัน ถ้าผูใ้ใดเจ็บป่วยไข้ก็ต้องแจ้งต้องบอกให้ผู้หัวหน้าได้ทราบก็พูดให้ฟังแล้วระเบียบตรงนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยต้องพยายามมาให้บรรทันกับเวลาลองคิดดูที่ะ ล้วมีงานอะไรทำอ่ะมีงานอะไรทำกันนั่งหนาแหละต้องคิดดูอ่ะแต่ละวันแต่ะวันไม่เห็นไม่มีงานอะไรทำอ่ะทั้งว่าการท่องหนังสือการเรียนก็เหมือนกับเต่านี่ไปไม่ถึงไหนเลยอือตัวนี้ให้ทำข้อว่าสฏิบัติ ดวยพระนั่งภาวนาฟังธรรมนี่ก็ขี้ข้านแล้วอย่างนี้มันจะเอาอะไรมาทำความดีได้บ่เนี่ย <c oughs> ถ้าว่าภาวนาไม่เก่งตั้งเจรยนให้มันเก่งๆขิยันเรียนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะต้องให้มันดีทางหนึ่งคนเรานะ่ะ อันนี้เอาดีทางไหนก็ไม่ได้อันนี้มันใช้ไม่ได้เนะอะเอาทรนยันไม่เก่งให้ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมไหว้พระฟังธรรมสนใจฟังธรรมให้ทันการทันเวลาอย่างนี้มันก็ดีอยู่นี่มันก็เป็นความดีเป็นบารมี อันนี้ต้องให้เพื่อนบังคับอยู่มึนงทําได้เลยมันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพรานั้นเราเป็นนักบวชนี่นะจะไปให้เพื่อนบังคับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่นักโทษนะรู้ระเบียบกันอยู่ทุกคนอะ <c oughs> อะไรไม่เกียก่ยคันน่ะถ้าเกี่ยคันก็กินข้าวชาวบ้านเสียเปล่าสิ เอาอะไรมาแตบตอบแทนบุญคุณเ้าล่ะต้องคิดถึงข้อนี้ให้มากที่ <c oughs> เราเป็นนักบวดนะเราก็รู้อยู่เราไม่ได้ทำไรทำนาค่าขายอะไรเลยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหมดอาศัยชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเรียกว่าไงลนะ่ะ ถ้าเราไปเกียร์ข้านแล้วมันก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาอ่ะอนั่นแหละผู้ไดเกียร์ข้้นแล้วศึกไปจะดีกว่าดีกว่าศึกไปเราไปหาเลี้ยงตัวเองเอาเองเ อ, อง่ะยังไม่เป็นโทษยังไม่เป็นหนี้บุญคุณของใครนะองไม้เข้าใจถ้าเราจะชอบใจความเป็นนักบวชแล้วนี่ลรงคิดดูอ่ะ เราไม่ลําบากในการแสวงหาเรื่องขี้บอะไรเลยเช่นนี้มันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทําความเพียรอย่างนี้นะทําข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนี่เรามาบวชมาใหม่ใหญ่ทีหลังความรู้ในทางธรรมาทวินัยก็ยังไม่มีมีคณิตโดยอย่างนี้นะ ก็จะให้เรียนในท่องให้จำเหมือนว่าท่องจำก็ไม่ได้เมื่อสนท่องจำไม่ได้ก็ฟังเอาถ <c oughs> ้านได้กลั่นกรองเอาข้อปฏิบัติโดยทางรัดทางตรงมาแสดงให้ฟังนี่เราก็ฟังเอา รู้แนวทางข้อปฏิบัติทางรัฐทางตรงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลงไปมันอย่างนั้นความหมายนะให้เข้าใจโอ้ฟังอะไรนักหนาฟังพอแงรงแล้วทุกวันทุกวันอันนี้ก็คำเก่านั้นแหละบางคนก็อาจจะคิดแต่นั้นแหละในใจเอง แต่คำเก่าเ็ให้มันจำได้สิค้นถามดูแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยนันนย่ในธรรมะกันหนึ่งหนึ่งท่านเทศว่าไงใจความมาอย่างนี้เนี่ยมันจำไม่ได้ทำนะออกก็ไม่ถูกทำเป็นไรอะ่ะนั่นไงอาศัยต้องฟังบ่อยๆสิพิจารณาตามบ่อยๆ อ, อ่มันก็ถึงจะจำได้ ทั้งดูตำราด้วยเรียนด้วยฟังด้วยเอาหลายทางให้เข้าใจการที่เรามาปฏิบัติศาสนานี่นะ่ะอย่า ม, ามัวตั้งแต่เชยชาเกียกล่้านอยู่เดีย๋ยวนี้ก็เอาเปรียบชาวบ้านเกินไปสิเนี่ตัวงคิดให้ดีชาวบ้านเขาหา เงินหนาทองหนาเข้าของอะไรเท่าอะไรอาบเหงือต่างน้ำไม่ได้หลับได้นอนกลัวว่าจะได้ปัจจัยสี่มาบริโภคว่งแบ่งจิทานบ้างโมงนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนี่ต้องคิดไปหลายทางคนเราน่ะมตัวได้ความสบายแล้ว เ, เลยจะลืม นึกถึงบั่งหลังความเป็นมาอะไรเท่าไรไม่ถูกต้องเลยต้องนึกหลายทางที่โอ้ขัวาชาวบ้านเขาจะได้เงินได้ทองมาบริจาคสร้างเาสนาชนะไอเราอยู่อาศัยหมนีน่าไม่ใช่ของง่ายนั่นแหละขอเขาจะได้มีอาหารกันบริโภคมาถวายก็ดี เนื้อเขาไม่ถวายด้วยตนเองเขาก็ถวายปัจจุอ่าจัตุปัจจัยมาก็เท่ากับ ว, ว่าถวายทุกอย่างนล้นแหละถวายเงินนะ่ะอืมถวายปัจใจทางซีอะไรพวกนี้ววถวายเงิน น, ะน่ะนั่นลอคิดดูสิชีวิตของเราน่ะจึงคิดว่ามันเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาแค่แคนะ่เลยเราต้องนึกถึงข้อนี้ไม่หักส่ เ่าก็ตั้ง อ, อกตั้งใจอืมก็ยังรู้อยู่เวลานะพอได้ยินเสียงระทังเราก็รีบเตรียมตัวอันนี้อันนี้เวลาตั้งสามสิบนาทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มันรวมกันได้ทั้งหมดนี่มันเย่นะอืมอย่าไปทำเลย อ, อย่างนี้ต่อไป ก็เรามาฝึกตนนะมาบวชมาเรียนในพ่ะรัดวาอารามนี่นะไม่ใช่ว่ามาหาความสุขสนุกสบายให้เข้าใจอ่ะถ้าพวกเรคิดอย่างนั้นอย่าอย่ามาบวชเลย้ะจะไม่อยากพุกไม่อยากลำบากเลยอย่างนี้โอ้ มีที่ไหนในโลกเนี่ยอันที่มันจะไม่ยากไม่ลําบากการอยู่ในโลกอันเนี้แต่ความลําบากนะมันต้องมีผลแตกต่างกันไอาชาวบ้านอยู่อย่างลําบากยากเกน็นการ ง, งานบีบงังคับอืแต่ผลที่ได้รับมันเพียงนิดหน่อย ก็ได้อยู่ได้กินได้อาศัยไปแต่จิตใจนั้นยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นยากอยู่อย่างนั้นหิวอย่างนั้นอิ่มไม่เป็นเลยชาวบ้านเพราะมันไม่พออืมไอชาววัดมานี่ชาววัดนี่เราสร้างใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ยากแหละยากกด อดทนอดกั้นสู้ความลำบากยากเย็นลงไปเช่นนี้มันทำาให้กี้เลยตัณหาในใจเนี่ยน้อยเบาบางออกไปนี่มันเพือกิริยาอาการที่เราทำภายนอกมันยากลำบากจริงแต่ว่าผลภายในจิตใจนีะมันดีกว่าผู้อยู่คลองเลือนน่ะ มันทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาวางออกไปนี่มันโตพี่นาผลมันอย่างนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ผูใ้ใดจะเป็นสุกขอยู่ในขั้นใดๆก็ตีก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนทีละน้อยคอยผสมไอ้ผู้ที่จะมีบุญมากนะ มันก็ต้องสะสมไปแต่เล็กน้อยอไปพี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไปเช่นบุญเกิดจากการไหว้พระการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาบุญเชิดเกิดจากการทำความสะอาดในเสนาสะนะที่อยู่ที่อาศัยบุญเกิดจากการที่เราต้อนรับ ปฏิสันฐานแขกไปมาหาตูหมูนี้มันก็รคผจะเป็นบุญทางนั้นแหละเราก็เก็บเล็กขสมน้อยอย่างเนี้ยเข้าไปอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปเอาบุญแต่นั่งหลับตาภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทําความดีอย่างอื่นประกอบเลยอย่างนี้มันไม่ใช่อะไม่ถูกต้องมันไม่มันไม่สมดุลกันแล้วมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ มันต้องหลายอย่างประกอบกันเข้าการปัดกวดเสนาสนะทำความสะอาดดูจะเก็บสิ่งเก็บของของใช้ต่างๆมาเนี่ยนี่ถาดเข้าวแมวา เ, เราเห็นน่ะเอาไปทิ้งตากฝนไว้นั่นก็มีไม่ล้างไม่ขัดกันเลยเอาไว้ไม่ใช้ล้ว่ยไปอย่างนั้นเหรอ สัดปุณิมันมาอาศัยวัดอยู่านานแล้วมันมาช่วยรักษาเครื่องใช้ไม้องต่างวเนี่ยถ้าไม่มีแมวนี่ลองดูซิหนูมันจะมากัดอะไรทําอะไรปนปีไปหมดเราต้องคิดอย่างนั้นให้มันช่วยรักษาสมบัติของสงในวัดนี้ให้นี่มันก็มีคุณโยแมวก็ดีนะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ใช่เลี้ยงไว้เจตนาว่าให้มันกินหนูนะอย่าไปเจตนาอย่างนั้นเราเลี้ยงมันด้วยความเมตตาเพราะเราไม่ได้ไปหามันมามันมาเองมันมาอาศัยบุญบารมีของเราให้คิดอย่างนั้นเราก็เลี้ยงมันไปแล้ววันนี้มันก็มีคุณต่อวัดมันช่วยรักษาของสงให้อันมันจะไปทำอะไรมันจะไปกินอะไรนั่นเรื่องของมัน เราอย่าไปสนใจกบมั่นอันนั้นนะมันต้องมีอุบายอย่างนั้นคนเรานะ่ะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้การบวชนะให้พาเข้าใจเราไม่ต้องการนะไอ้ปริมาณมากๆแต่แลราใทไม่ได้ แล้วไม่เอาไหนในข้อว่าปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องการเนอะเราต้องการคุณภาพนะสาหรับวัดป่าเรวต้องการคุณภาพโดยตรงเลยเนื่องนั้นถ้าใครไม่สามารถแล้วยายาอยู่ <c oughs> ถ้ามีความสามารถจึงค่อยอยู่ เพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะมันเหมาะสมกับบุคคลผู้ชอบสงบชอบระงรับผู้ไม่ชอบเพลิดเพลินในการมาคุณสถานที่อย่างนี้นะเหมาะสมกับบุคคลผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาวางไปมันเหมาะสมอย่างนี้สถานที่อย่างนี้นะ ให้พากันเข้าใจเมื่อใครมาอยู่ในสถานีต้องคิดว่าเราจะมาทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากคิดใจนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไปคิดเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ถูกไม่ถูกต้องอเพราะนั้นเมื่อ เราประสงคอย่างว่านีแล้วเราจะไปขี้ค้านทําความเพียนอย่างนี้นะมันนี่ถูกต้องอยังไงอ่ะอืไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนั่งสวมาธิภานาอตลอดเวลาไม่ไม่มีอ่ะอืมมันก็นั่งไปเข้าไปคาวเท่านั้นดังนั้นเราต้องจึงมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยเช่นอย่างเรามานั่งรวมกันหน่อย ฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิไปบ้างไหวพระสวดบนบ้างมูรี้มันก็เป็นอุบายทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องสังเกตด้วยไอ้อผู้ที่ยังไม่ทำนานในการทำจิตใจสงบ อย่างนี้เมื่อฟังธรรมะประกอบเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมันกดด้ความสงบใจไปนี่มั น, มนประกอบอย่างนั้นเอพี่จะทำอย่างนี้น่ะไอ้ถ้าลำพังดี่ยผู้ที่เข้าใจภาวนาเข้าใจในข้อปฏิบัติดีแล้วมันก็ไม่จำเป็น เราอยู่ใครอยู่เราก็พึ่งตนเองได้เหตุที่ทา น, นี้ก็เพราะว่าผู้มาใหม่ก็มีนี่ผู้ยังอิสเรียงอ่อนนี่ก็มีอยู่มากมายเหตุนั้นเราจึงได้มีข้อวัดปฏิบัติประกอบหลายอย่างต้องให้เข้าใจความหมายที่พูดให้ฟังนี่นะ มันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้แล้วทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ก็ต้องให้มันต้องทำตามระเบียบต้องให้เป็นไปตามระเบียบอย่าไปคิดว่าเออเราทันานนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเท่าไรก็ได้ดอกให้ผู้มาใหม่นั่นเข้มงวดออย่างนั้นก็ไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นนะ แล้เราถ้าเรามั่นคงเราทำนานแน้วยเราก็นำที่ว่านี่นะนัะ่นแหละไม่เจ็บไม่ไขอะไรเนี่ยก็นำหมู่นะหมู่ที่มาใหม่นี่นำเพื่อนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นนั่งสมาธ่อย่างนี้นะก็ต้องนั่งให้จริงๆไม่แช่นั่งแล้วง่วงโง่ไปโง่มาอยู่งั้น มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะผู้มาใหม่เห็นเข้าก็เอาอย่างกันเลยวนันนี้นั่งงกบันนี้ไม่ใช่นั่งภาวนาต้องฝึกที่อย่าให้มันงกง่วงอย่าให้มันโอนเอในร่างกายฝนะึกนั่งให้มันตรองอย่างนี้นะก็ยกการฝึก มันทําได้ทํำไมยังไม่ได้ถ้าฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะเราต้องฝึกที่ <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นบางคราวก็ได้ว่ามาให้มีน้อยที่สุดอย่างนี้นะเราพยายามให้มันดีที่สุดมันจะเสียไปบ้างก็ยังชั่ว ให้มันได้มากกว่าเสียนี่การฝึกตนเนะมันต้องคิดอย่างนั้นอไม่ใช่ว่า ท, ทําทีใดมันได้ทีนั้นอันนั้นเรียกว่าเพื่อนผู้คนฝึกตนดีแล้วอันนั้นนะทาทีใดก็ได้ทีนั้นอผู้ที่ยังไม่ดีพอมันก็ได้บ้างเสียบ้างแต่เราพยายามให้มันเสียน้อยให้มันได้มาก ม, มันต้องคิดอย่างนี้ <c oughs> แล้วการไปบินธบาสตขอให้สำรวมทนให้ดีผู้บวชมาให ม, ม่อย่าไปเหลียววกเหลยวเว เข้าไปในหมู่บ้านนะ่ะมันก็แค่นั้นแหละในหมู่บ้านนะ่ะมันก็เราก็รู้ๆกันอยู่่ไม่จะเป็นต้องดูอะไรนอกดูทางที่เราเดินไปพอแล้วสำรวมตนเดี๋ยเขาใส่บาตรก็มองดูแต่ในบาตรเจ้าของนะอย่าไปมองในที่อื่นบางคนต้องไสังเกตดูนะ ทำหน้าตาเหม่อไปทั้งอื่นนยื่นแต่บาทให้เขาใส่ก็มีนะอย่างนั้นไม่ถูกตามเศรษฐกิจวัฒน์อย่าไปทำอย่างนั้นต้องมองคมมองดูในบาทนั้นละคนเขาใส่บาทนะอย่าไปเหม่อไปที่อื่นเดี๋ยวการเดินก็ดีเดี๋ยวก็ไปเหยียบน้องกัน โกรกันอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องระวังไนงะอย่าไปเผลออย่าไปรีบด่วนเดี๋ยว่าเหยียบนองคนน้นเหยียบโนองคนนี้ไปมันไม่ไม่ดีเลยแบบนั้นไม่ใช่เป็นของดีอะ่ะมันเสียมา ร, รยาทแต่ถ้าว่าเราเผลอไปนี่ก็โอ้ยขอโทษว่างั้นผมเผลอไปว่างั้น ก็รู้จักขอโทษกันให้มันเป็นเราอยู่ด้วยกันอนะ่ะอันนี้เป็นมรญญารยาทที่ดีนะการขอโทษกันนี่นะแต่ชาวบ้านเขาก็ทำกันอนะ่ะคนท่านผู้ดีทั้งหลายเนะี่ยถ้าไปกัระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยนี่ก็โอ้ยขอโทษเอออย่างนี้นะเราต้องฝึกเนอเราเป็นนักบวชนะ่ะ อย่าไปกระลังกระเรืองมันไม่เสียหายอะไรหรอกการกล่าววาชาแค่นั้นเน่ะเป็นความดีซะด้วยนะจะ <c oughs> สนมากมันไฝึกทำกันนี่รากระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็เล้วไปเลยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตัวแต่คนท่านผู้ดีเขาไม่ทำอย่างนั้นสิเขาบอกขอโทษอเลย ถ้าเป็นชาวบ้านกับฐานว่าเราเป็นน้องเป็นอยู่ในฐานน่ะเป็นน้องเขาเป็นผู้เป็นพี่อย่างนี้ยพี่ฉันขอโทษหรือว่าน้องฉันขอโทษอย่างนี้เลยคนผู้ดีทั้งหลายเนะี่ยเขาไปพูดต่อกันนะถ้ <c oughs> าอย่างนั้นแนละ้วมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาดอะไรกันเนละกรทบกระทั่งอนะันนิดนิดนิหน่อยก็ ขอโทษกันไปอาโหติกรรมกันไปมันก็เลี้ยวไปเราอยากใช้กคริธรรมะย่าอัหญาพร้นต่อกันอยู่ด้วยกันหมู่ม่านเพราะเรามันต่างบ้านต่างเรือนกันมาต่างะกูลต่างจังหวัดด้วยนะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยอและจะไม่ถือมั่นอย่างนั้น ให้ถือเอาธรรมอาวินัยนั่นเป็นหลักพรวินัยนั้นพระองค์เจ้าเปรียบเหมือนอย่างได้ร้อยดอกไม้นานาช น, น, นิดเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอดอกไม้จะเป็นมีสีอย่างไรมีกลิ่นหอมก็ดีหรือไม่หอมก็าตามถ้าเอามาร้อยเข้าในได้เส้นเดียวกันแล้ว มันก็ดูงามดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคุณระบุดผู้มีศรัทธาออกจากบ้านจากเรือนมาต่างชาติต่างสกูลกันนี่เมื่อมารวมกันอยู่มาบวช ด, ด้วยกันถือธรรมวินัยอันเดียวกันวันนี้เราละความถือมั่นในชาติในะกูลเรามาเป็น สรรมณะสักยบุตรเป็นบุตรของสรรมณะผู้สง บ, งบแล้วครับพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้านั่นแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระวินัยวันนี้ตามพระวินัยทํอยังไงอ่ะเขารบกันตามผู้บวชก่อนบวชหลังแม่บวชวันเดียวกันนี่ก็ตามนะผู้ใดอยู่เบื้องขวาของอุปชาผู้นั้นแหละชื่อว่า เป็นอวุโสในชุดนั้นผู้ลองลองไปก็เป็นพันเต้ก็ต้องให้เคารพกันตามนั้นนี่พระวิ น, ยนัยน่ะเอาละเอียดปานั่นเองต้องให้เข้าใจเมื่อย่างนั้นเราจะไปอยู่ร่วมกันโดยสามคัคคีได้ยังไงอ่ะแต่ต่างคนเราถือว่าตนตระกูลสูง พูนี้ตระกูลต่าอย่างนี้เราก็ไปเหยียดย้ำดูหมิน่นกันอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเราอยู่รวมกันไม่ได้เลยครับตระกูลสูงก็ดีตระกูลต่าก็ดีถ้าถามความดีแล้วมันก็เหมือนกันเอถ้าถามความดีเสมอกันมันก็เหมือนกันเนี่ยนั่นแหละความเป็นอยู่ก็มีความสุขสบายเหมือนกัน แต่ถ้าทำความชั่วแล้วตระกูลสูงมันก็ไม่ดีตระกูลต่ำก็ไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าทำชั่วแล้วนะนีม่มันต้องให้เข้าใจอย่างนั้นมันอยู่ที่ความประพฤติในทางหนังนะถ้าเราต่างคนต่างตระกูลสูงบ้างต่ำบ้างมาอยู่รวมกันนี่เราเคารพต่อธรรมต่อวินัยนะ ไม่ทะเลาะวิวาดกันถ้าเคารพต่อธรรมต่อ ว, วินัยจริงๆแล้วมันไม่ทะเลาะวิวาดกันนะไม่ดูหมิน่นไม่เหยียดหยามกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าใครยังไปเหยียดหยามดูหมิ่นกันทะเลาะวิวาดกันแสดงว่าไม่เคารพต่อธรรมต่อ ว, วินยัยนี่พระธรรมวินัยไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ทะเลาะกัน ก็ท ร, รมวินัยสอนให้สามัคคีกันฟงดองกันให้รู้จักให้อภัยต่อกันและกั น, นกระทบกระทั่งกันนิดนิดนดหน่อยก็แล้วไปก็ให้อภัยกันไปไม่ถือสาหาความกันเพราะว่าปุถุชนนี่ยังมีคีเรศอยู่เวลาพลังเผร์มันมีเรื่องมันน่ะมันเป็นยังืม <c oughs> เราจะไม่ให้พังเผือจะไม่ให้กระทบกระทั่งกันเฉยๆไม่ได้ดอกเพราะกิเลสมันยังมีแต่แล้วผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งก็ให้อภัยแก่ผู้ที่มากระทบตนไปเสียอย่าไปตอบโต้กันไอ้ผู้ที่เผือไปกระทบผู้อื่นแล้วจะย่ำใจใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกแล้ว เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นเมื่อรู้ตัวแล้วต้องรีบสำรวมระวังขอโทษผู้อื่นอย่างที่ว่ามานั่นเนียเมื่อสนได้พลังเผลอกระทั่งเพื่อนเข้าไปแล้วก็รู้จักขอโทษเพื่อนให้เป็นถ้าเราพึ่ต่อกันอย่างนี้แล้วการทะเลาวิวาทกันไม่มีเลยนะแม้เราจะต่างตระกูลต่าง จังหวัดอำเภออะไรมาอยู่ร่วมกันก็ตามนะเราถือว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกัน <c oughs> เราก็รักใครกันแบบ น, นี้นะหา <c oughs> อ, อุบายสมานไมตรีจิตต่อกันแลยกันเราไม่ถือว่าคนต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอไม่ว่าเราถือว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกัน เราก็แสดงความสามัคคีต่อกันพูดดีทำดีต่อกันไปนี่ให้พระก็ปฏิบัติอย่างนี้นะไอ้หลวงพูนะบางทีมันก็ไม่สบายก็ไม่ได้คำกับดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เป็นมาแล้วนั่นแหละวันนี้ก็รู้สึกว่าก็สบายหน่อยก็ยิงได้มาพูดให้ฟังนี่แหละประกอบกับ ผู้บวชเข้ามาใหม่ในภาคไกลปีวอนก็อย่างที่แนะนําอยู่ในบทนั่นแหละอยา่าไปอยู่ปราศจากไกลปีวอนให้ร่วงราตรีไอ้เราอยู่กลางวันอย่างนี้เราอยู่ปราศจากแล้อยูแต่กลางคืนเน่ยจวนสว่าง เ, เราไปสว่างอยู่ที่หนึ่งแล้วผ้าไกลฝืนใดเพื่อนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งอย่างนี้นะ นั่นท่านเรียกว่าอยู่ปราชิจักไรจีโอนผ้าเป็นอิสกีพิกตุกเป็นอาบัตภาชิตตีถ้าผู้ไลเฟืออย่างนั้ น, นล้วก็รีบไปหาเพื่อนพิกสุกุกนนั้นรุนหนึ่งขอเสียสละผ้านั้นคำเสียสละเราก็ต้องเรียนเอาก็ไม่ยาวอะไรสมอเราพูดเสียสละนั้นนะ่ะ มีอยู่ในวินัยเนี่ยเรียนเอาเอาบวชเข้ามาแล้วต้องดูเมื่อเมื่อเสียสละผ้านั้นแล้วพอแสดงอวัตตาจิตีก็เป็นวอาพ้นโทษไปเป็นอย่างนั้นวิธีปฏิบัติแต่ว่าละมั่นวัง ถ้าไม่เหือยวเวไส ย, ยิงจริงให้มันร่วงราตรีมาทำวัดทวาตอนหัวรุ่งก็ต้องเอามาพร้อมทั้งสามผืนน่ะติดตัวมาเนี่ยเรื่องทะเลาีวิวากันนี่แหละขอย้ำอีกทีว่าอย่าให้มีเป็นอันขาดไม่ว่าผู้เก่าไม่ว่าผู้ไม่ ต้องทำจิตใจให้มันหนักแน่นให้ได้เราเป็นนักบวชนี่นะนักบวชหรือว่าสมณะแปลว่าผู้สงบระงับนี่ให้นึกถึงเสมอชื่อนี่นะสมณะสกยะบุตรแปลว่าผู้เป็นบุตรของพระมหาสมณะผู้สงบระงับจากกิเลสตัญหาแล้วโดยประการทั้งปวง อหมายเอาพระพุทธเจ้านะั้นพระองค์ละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วเราจึงไดเลื่อมใสพระองค์เราจึงมดปฏิญญาณถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านะั้นยังเป็นผู้ยังไม่สิ้นกิเลสตันหายอย่างนี้ย เราจะไม่นับถือเลยในชาวไทยเรามีปัญญาเราไม่มองเห็นเลยอันศาสตราอื่นที่โลกเขาสมมติกันขึ้นเนี่ยศึกษาประวัติดูแล้วยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่ทั้งนั้นเลยเหตุนั้นคนไทยเราถึงไม่เป น, นับถือไม่ไปนับถือคนมีกิเลสอยู่ เรานับถือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วต้องให้คิดอย่างนั้นพอเราเห็นโทษของกิเลสเราก็อยากสิ้นกิเลสตามพระ อ, องค์ไปเหตุนั้นจึงเข้ามาขอบวชในพุษษทธศาสนานี้ต้องให้คิดอย่างนั้นอย่าเพียงแต่คิดว่ามาบวชพอเป็นอุปนิสัยปัจจัย ไปเบื้องหน้าเท่านั้ น, นคิดอย่ น, นั้นมันก็บวชเล่นๆ ล, ล, ลอยๆไปอย่างนั้นไหอไม่เอาจริงเราจังถ้าเราบวชมาเพื่อเพีเพยรไม่ยามละกิเลสตัณหาอย่างเงี้มันก็ต้องเอาจริงกันแหละเออข้อวัดปฏิบัติอันใดยจะเป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหาเราก็ทําข้อวัดปฏิบัติอันนั้นน่ะเฮ้มันเต็มที่เลยอ่ะ เพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปนะให้เข้มงวดนะเรื่องความสามัคคีเรื่องการเวลาอย่าให้มันเฉยชายอย่างนี้ไอเรามองเห็นอยู่เราอยู่พุ้ธิก็ดีนะบางคนนะเพื่อนเปิดเทพฟังธรรมะกันไปชวนจะจบนู่นมันยังคอยโกยๆขึ้นมา เดี๋ยนี่ก็มีออย่างนี้นะยไปทำกันเลยเราไม่ใช่มีธุระอะไรนี่ต้องคิดดูมีอะไรนะ่ะธุระจำเป็นนะไม่มีอะไรนะต้ปัดกวดทงความสะอาดร้านวัดเสร็จแล้วก็ส่งน้ำส่งหนองแล้วก็เตรียมตัวขึ้นศาลาสิก็มีเท่านี้ในกิจธุระของเรามีอะไรลนะ่ะ เพราะจะอึดอืดชืดอยากจนไม่ทันเวลำเวลามันมีดีเมื่อเป็นเคอรหัดอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบืมนคำนึงถึงสินทำเท่าไหร่นัก มันาะโกรธขึนก็โกรธเต็มที่โกรธขึ้นมามารบเรื่องฆ่าเรื่องตีกฎหมายก็ไม่กลัวศิลธรรมก็ไม่กลัวเ <c oughs> ช่นนั้นใครเขาจะว่าคนดีนะคนเป็นเช่นนั้นนะโลกทั้งโลกเขาไม่ได้ว่าเป็นคนดีเลย มันต้องเข้าใจคนดีมันต้องอดทนต่อความว่าร้ายต่างๆอดทนต่อความโกรธที่มันเกิดขึ้นในจิตใจอดทนในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินขอบเขตอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีมันดาคนดีในโลกย่อมมีความอดทนต่อสิ่งชั่วร้ายดังกล่าวมานี้เราอยากเป็นคนดีไหม ใครๆก็ต้องตอบว่าอยากเป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่ออยากเป็นคนดีแล้วต้องละสิ่งที่ชั่วเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจให้ได้ถึงจะเป็นคนดีได้การบวชเข้ามาแล้วเราจะมาแสดงความดุร้าย อย่างที่เป็นกระดหางนั้นไม่ได้เลยอย่างที่วางระเบียบไปแล้วนี่นะให้แสดงอาการดุร้ายทะเลาะวิวาทกันด่าแช่งกันถึงโคตรพ่อโคตรแม่หรืออะไรพวกนี้ถ้าเพียงด่ากาันแช่งกันไม่ลงแม้ลงมือทุบตีกัน เราจะเรียกว่าสอนสามครั้งถ้าไม่ฟังแล้วก็ต้องให้ศึกออกไปถ้าเป็นพระเป็นเจ้าพอดี <c oughs> <c oughs> แสดงว่ามันทำดีไม่ได้แล้วถ้าลงจากเกินถึงสามครั้งแล้วยังละผมช่วนน้ะไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่กับหมูแล้ว อ้อตรงไปแสดง ว, ว่าผู้นั้นมันชอบคมชั่วนั่นก็ตรงไปทำชั่วตามที่จนชอบนั่นแหละแต่ยจะมาทำชั่วในวัดว่ดว่าศาสนานีไม่ได้เล็กขาด <c oughs> <c oughs> เราต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสน า, าอันประเสริฐนี้ไว้ เราต้องกลั่นเอาแต่คนดีๆคนมีใจมุทุอ่อนหวานคนมีใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาคนมีใจหนักแน่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีอดทนต่อความเจ็บป่วยไขอ้อดทนต่อหนาทเแห่งความโกรธที่มันเกิดขึ้น เมือ่อเขาไม่รู้อำนาจแกีิเลสเหล่านั้นเขามาอดทนในที่นี่นะไม่ไปตามมันมันจ่ทัวเนี่ยไปด่าไปตีเขาก็ไม่ไป อ, อดกันเอาไว้นั่ น, อนเออเจ็บไข้ได้ป่วยลงบางคน ใ, นใจสออเป็นอะไรเป็นอะไรเล็กน้อย ก็ว่าเป็นหลายโลงให้ค่ำครวนเพื่อให้คนอื่นเห็นใจเอ็นดูเอาใจพเนาพโนตนที่แทแ้เราโลกภัยนั้นไม่มากเท่าไหร่ <c oughs> พออดทนได้ <c oughs> ในอันนี้ก็มีนะนี่ใจคนนะทางนี้ก็วบามันขาดความอดทน มันไม่รู้ว่าการนี่ตนแสดงอาการขําโค้นเฒ้าโศกเสียใจอย่างนั้นนะไม่รู้อ่าเป็นทุกข์แล้วไม่รู้ว่าการอดทนอดขั้นต่อทุกขเวทนานั้นมันเป็นความเป็นการเอาชนะทุกขในสังขาร น, นี่ยมันไม่รู้อันนี้ <c oughs> ถ้าปล่อยใจใอ่อนแอไปตามมันเท่าไรมันก็ยิ่งครอบงาไปได้ความทุกขกน์นี่มันไปนอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกใจนี่มันเข้มแข็งไว้อย่าปล่อยใจใเป็นไปตามอำ น, อ น, นาจของกิเลสอันนั้น อย่าง น, นี้แหละคุณธรรมของนักบวชให้บางกานเข้าใจ <c oughs> เมื่อเรามีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในใจแล้วแม้จะขาลาเพศออกไปเราก็ไม่ลืมคุณธรรมเหล่านี้ต้องเอาไปใช้อยู่ในการคลองเรือน ผู้ใดเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้ในการคลองเรือนก็จะพาลูกเมียอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนในบางครอบครัวาสามีเป็นคนขี่โกรธใครทำอะไรผู้ลผิดใจก็หนึ่งเขาโกรธแสดงอาการหลรร้ายทำให้ลูกเมียสะดุ้ง ตกใจหวาดผิวต่อภัยอันตรายคนหลงแล้วถือว่าดีไหมทำอย่างนั้นะเขากลัวตนน่ะดีร้ายที่แท้เราไม่ใช่คนมีปัญญาแบบนั้นเป็นคนไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตากรุณาไม่ราธนาความสุขแก่ผู้อื่น ราธนาแต่คนทุกข์ให้แก่คนอื่นจึงไม่สมควรครองเรือนเลยผู้ชนั้ะผู้จะครองเรือนอยู่เย็นเป็นสุขได้นันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้แหะมีความอดทน ม, มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ เจวาทรงแต่ละขั้นปิโกเมตตาวาลาคียะสัจสีสุขสีละวาผู้มีความอดทนอดกั้นประกอบวด้วยเมตตากรุณาอยู่ในใจ ย่อมเป็นผู้มีลากย่อมเป็นผู้มียอดย่อมเป็นผู้มีความสุขเป็นปกตินี่อันนี้สงแห่งขันติและเมตตามันเป็นอย่างนี้ที่ว่าผู้มีลาก็เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทำความเดอดร้อนให้แก่คนหมู่ที่เราอาศัยอยู่นั้น ทำให้คนอื่นเขาได้ความเย็นใจด้วยให้ทำให้คนอื่นเขานับถือ <c oughs> เคารพยำเกรงเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาบเป็นผู้มียศคนเราถ้าใจดีแล้วนะเนงินทองมันก็หลั่งไหลมาเทมาลาภยศอันใดก็บังเกิดมีขึ้น เมื่อเป็นเจ่านี้คนเราก็ย่อมมีความสุขเป็นปกติใหเข้าใจมีความสุขส่เมื่อเราอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีต่างได้แล้วเราก็อดทนไม่ไปด่าว่าเสียสีใครไม่ทุกตีใครอย่างนี้นะใครก็ไม่ไม่มาเบียดเบียนตน มีแต่คนนับถือยกยอ่องเขาก็ยินดีเขาผ้านสมาคมถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ามีสมาชิกในการค้าร่วมกันหลายขเขาเขาว้เนื้อเชื่อใจ <c oughs> เป็นคนใจหนักแน่น <c oughs> อย่างนี้แหละที่จะมามีความสุขเป็นปกติในพึงเข้าใจถ้าเรามีความอดทนอยู่ในใจแล้วเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าได้ทุกอย่างเลยกล่าวโดยสรุปแล้วนะผู้เป็นพระวิญญาก็บวกเข้ามาแล้วก็รักษาวินยัยจะข้าบทไม่ล่วงเกิน อที่เลสอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้ร่วงเสียขาบดวินยัยแล้วก็ไม่ร่วงอดกั้นทนทานต่ออํานาจที่เลสนั้นนั้นเ <c oughs> มื่ออดได้ทนได้มันก็เอาชอนะทีเลสนั้นได้ก็ไม่ร่วงเสียขาบดวินัยน้อยใหญ่อก็ไ <c oughs> ด้ชื่อว่าเป็น พระภิกษุสามเณรที่ดีคนหลายย่อมเคารพนับถือสักการะบูชาแม้ว่าจะบวชเข้ามาไม่นานก็ตา ม, อ, มอะไรเชื่อว่าคนละหลายเขาย่อมมองเห็นได้ว่าพระภิกษุสามเณรลกูกนตั้งอยู่ในธรรมในวินัยน้ำรวมทนด้วยดี ตลอดถึงแม่ทีแม่เขาก็เหมือนกันคนไหนมีคุณธรรมอยู่ในใจคนอื่นเขาจะมองรู้รได้เห็นได้นั่นคนไหนไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันเหมือนเดยงั้ น, น <c oughs> แต่ว่าบางคนอาจจะรู้ผิดไปก็มี อันนั้นเราก็อภัยเขาไปเยีางว่าเขานินทามาว่าเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เรามาโกรธดู ต, ต, ตัวเองแล้วไม่ได้ทําความไม่ดีอย่างที่เขาว่าเขาเข้าใจผิดต่างหากเช่นนี้เราก็ไม่โรกรธเขาเราก็ให้อภัยเขาไปอย่างนี้แหละ นักบวชในพุทธศาสนามันต้องรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นแต่จึงช่ว่าเป็นนักบวชที่ดีได้เมื่อว่าพิษุามันเนนเป็นชีเป็นเท้าก็เหมือนกันก็ต้องให้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจทุกคนนะวันนี้ในพูดถึงเรื่องความอดทนความเมตตา ผู้ใดฝึกตนให้มีความอดทนประกอบด้เมตตาตรอ น, นานุศ ก, กให้อภัยแก่ผู้อื่นและสัตว์อื่นใดยอมเป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมเมื่อตายไปก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป ติดประตูอบ า, ายภูมิัังสี่มีนรกเป็นต้นนั่งกล่าวมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้